พระธรรมเทศนาแผ่นที่88ดลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่9พฤศจิกายน2558มีชื่อเรื่องว่าอย่าเอาคนไม่ดีมาเป็นตัวอย่าง วันนี้เป็นวันที่เก้าพิศจิกายนพุทธศักราช2องพห้าสบงานกระถินของเราเมื่อวานผ่านไปด้วยดีทุกสิ่งทุกอย่างตามสายตาของหลวงพ่อที่เป็นประธานฝ่ายสง เป็นเจ้าของพื้นที่แต่พี่น้องประชาชนศรัรทธาญาติโยมที่ผู้ที่มาเกี่ยวข้องมีความรู้สึกอย่างไรนั้นหลวงพ่อยังไม่ได้สอบถามในรายละเอียดแต่สำหรับหลวงพ่อเองเป็นที่พอใจดินฟ้าอากาศก็เอื้ออำนวยก่อนที่จะมีวันงานวันที่เจ็ดฝนก็โปอยลงมา หลวงพ่อก็เป็นห่วงเหมือนกันเพราะทางอำเภอบ้านผือฝนตก เ, เหมือนกับเทน้ําลงมาจากกระบอกอย่างนั้นแหละน้ําไหลกระเจิงไปหมดแล้วก็อำเภอน้ำโสมอยู่ทั้งปีกซ้ายปีกขวาฝนก็ลงอย่างแรงอีกเหมือนกันหลวงพ่อไปดูทางวัดสํานักชีบ้านสวนห่างจากวัดไป7กิโล พอไปถึงบ้านชุมพลฝนก็ตกแฉะไปหมดในาทางอำเภอทางบ้านนายุงแต่ในวัดของเราพอไปปล่อย เ, อเว้นช่องไว้ให้ก็ น, นับว่ า, าดินฟ้าอากาศก็เอื้ออำนวยอนุมโมทนาสาธุกับวัดเราเหมือนกันนะพี่น้องลูกหลานนะอันนี้ พูดเข้าข้างตัวเองนะอา้าวมันเป็นอย่างไรเราก็พูดอย่างนั้นใช่ไหมล่ะเพราะนั้นฟ้าจะเสดนะแต่เมื่อวานนี่ก็พระองค์จะพระองค์เจ้ า, าพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชา ท, ทินัต ด, ดามาต พร้อมกับหม่อมชลาลีกิติยกรน้องสาวของพระองค์ท่านแสด็จมาเป็นประธานทอดผ้า พ, พกฐินที่วัดของเรารู้สึกว่าประสบนนกรพี่น้องประชาชนทุกระดับในจังหวัดหรือว่าเป็นที่รู้จักมักคุ้นกับวัดนาคำน้อยของเราก็ให้ความใส่ใจสนใจ เห็นแล้วอบอุ่นเมื่อวานพร้อมหน้าพร้อมตากันแต่พระองค์เสด็จมาเมื่อวานเครื่องดีเลย์เครื่องไม่มาตามกำหนดที่แรกว่านัดพวกเราว่าสี่โมงเย็น16ศูนูนอแต่พอเข้าจริงๆ 5.00 ้าโมงห้าโมงครึ่งมั้งพระองค์เสด็จถึงวัดของเราเมื่อวานบอกว่าเครื่องบิน ลงไม่ได้ขึ้นตามกำหนดเครื่องบินดีเลย์แต่ทุกทิงทุกอย่างก็เรียบร้อยพบไฟของเราก็เตรียมพร้อมแสงสว่างพี่น้องประชาชนก็นอยู่ในความสงบเห็นแล้วก็เป็นที่พอใจอบอุ่นคณะสงฆ์ของพวกเราก็พร้อมพระองค์ก็ถวาย ผ้าพระกถินแล้วก็ถวายจจตุปัจจัยแต่โค้งสุดท้ายที่พระองค์เสด็จประสบไปเยี่ยมประสบนิกรที่นั่งที่นั่งตามเต็นเขาก็ถวายพระองค์ท่านนะถวายพระองค์ท่านาจจตุปัจจัยถวายเงินง่ายาจากนั้นก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นรถ พธีนั่งจ ะ, สะเสด็จออกจากวัดหลวงพ่อก็คณะท่านก็ให้นิมนต์หลวงพ่อไปส่งพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็ได้มอบจตุปัจย์ยที่ประสงค์นิกรถวายพระองค์ท่านมอบให้หลวงพ่อนะเป็นถุงบักใหญ่พอมานับดูได้ก็ได้แสนสี่หมื่นกว่าบาทนะแสนสี่หมื่นกว่าบาทไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะ พระองค์เดินเดินส่งประสบในก่อนเพียงแพรบเดียวนะได้เงินมาแสนสี่มื่นกว่าบาทก็ออกเข้ากองกระถินทั้งหมดนี่แหละเมื่อวานนี่ก็เห็นพี่น้องประชาชนเขามารับเสด็จรู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็งานของเราก็เรียบร้อยเมื่อคืนนี่ก็กลานกระถิน พอผ่าอะไรเสร็จเรียบร้อยประมาณสัก4ี่ทุ่มครึ่งหลวงพ่อลงมาเมื่อคืนเนี่ยพอกรานกระถินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประมาณห้าทุ่มกว่าก็ไปว่าทุกอย่างเรียบร้อยแต่วันนี้ก็หลวงพ่อก็เป็นห่วงอีกเบิดการพวกลูกหลานชาวบ้านแล้วก็พวกเกี่ยวข้องทางที่มาดูปลูพรม แต่ไม่รู้ว่าพกโยธาและอะไรลงพอก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะหลายหน่วยหลายหมู่หลายเหล่าเละเกินที่ออกมารวมมารวมกันมารุมมาตุ้มแต่ทียังไงก็ขอฝากบอกกล่าวกับพวกในครัวของเรานะลูกหลานทุกคนชาวบ้านของเราขอให้มาช่วยกันเลี้ยงอาหารสกรอบนะึงวันนี้ เพราะว่าการมาทําการทํางานหลวงพ่อ่คงจะต้องเป็นคนเป็นร้อยเหมือนกันนะที่จะเก็บสิ่งของวันนี้เพราะว่าเมื่อคือนนี้ไม่มีเวลาเราก็เลิกกันตั้งเกือบทุ่มสองสามทุ่มต่างคนต่างแยกย้ายกันแต่วันนี้ก็ของก็ยังกองพลันตั้งโตงเต็นอะไรก็ยังเต็มอยู่เพราะนั้นวันนี้พวกเรา พี่น้องลูกหลานก็คงจะมาช่วยๆกันนะทั้งพระเนตรทั้งพระก็ช่วยๆกันดูอ่เป็นหัวหน้าเอาเป็นพระเป็นหัวหน้าเอาเป็นผู้นเาเก็บยังไงลื้อยังไงอตลอดถึงเออขยงขยะถ้าหาว่าขอร้องเด็กนักเรียนที่เป็นนักเรียนใหญ่เราข็ขอไปก็ได้ให้มาเก็บอพวกขยะใส่ถุง ก็เอาพยายามให้เอาถุงมือถุงพลาสติกสวมมือซะก่อนนะก่อนที่จะจับอะไรถ้านั่นก็ให้ครูบาทั้งหลายนะเรียกว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายช่วยๆกันดูเก็บให้เรียบร้อยเพราะขยะมันก็มีอยู่แต่ก็ไม่มากหรอทุนับว่าดีมากขยะไม่หล่นเท่าไหร่แต่ถึงยังไงก็มีอยู่ขอให้พวกเราช่วยๆกันดู ให้อยู่ในสภาพผวกน้ําผวกท่าผวกกอกน้ําแป๊บน้ําใครทําเอามาที่ไหนอย่างไรก็ให้คนนั้นเป็นผู้ดูแลรับผิด ช, ชอบช่วยๆกันเนอะแล้วก็ทางในครัวนนีะ่กองทับไปด้วยท้องเราก็ต้องเตรียมเอาหงอาหารเลี้ยงแขกคนตามอัตภาพนะก็ไม่ใช่จะเลี้ยงแบบห้าดาวก็ไม่ถึงขนาดนั้นให้มีอยู่มีกิน เนี่ยหลวงพ่อที่เป็นหัวหน้าเน่ะเป็นห่วงเป็นหลวงปู่หลวงตาเน่ะเป็นอย่างเงี้แลแะลูกหลานทาไมพูดจะเลยก็ไม่ได้กลัวมันจะขาดตกบกพ่องถ้าพูดมากเกินไปกับจาจี้จาชั ย, เ, ยเหมือนกระบบนเหมือนกระจมแต่ตามไม่จริงไม่ได้บนได้จมนะพูดนะพูดให้ฟังถ้าใครไม่ปฏิบัติตามเนี่ยหลวงพ่อจะแฉ่งทันทีแล้ววะเอพอะเหตุอะไร หล่อหล่อแหล่ไม่ได้พทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาหล่ะแหล่ต้องจริงจังและจริงใจการทำอะไรถ้าว่าทำด้วยความจริงจังจังและจริงใจผลออกมาก็ดีเป็นที่ยอมรับเห็นไหมที่พวกเราทำด้วยความจริงจังและจริงใจเตรียมการมาตั้งแต่ยังไม่ออกพรรษาพองานออกไปเมื่อวานนีกพวกเราภาคภูมิใจไม่ใช่หรอ แต่หลวงพ่อในภาคภูมิใจนะลูกหลานนะพอเห็นงานออกมาแล้วก็เรียบร้อยทั้งน้ำทั้งไฟทั้งอะไรหอ่องนงห่องน้ำโรงทานศาลาทุกอย่างต้อนรับกับสู้แขกบ้านแขกเมืองอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นหลวงพ่อก็ยังภาคภูมิใจว่าที่สร้างศาลาหลังนี้แหละหลังนอกนะเนี่ยคนทั้งหลายเห็นก่อน เขาคงพอมาเห็นที่ใหม่ๆก็คงจะว่าหลวงพ่ออินวัดลอยหลวงตา เ, เห็นหลวงตาทำยังไงก็ทำตามแต่แต่ดูเมื่อวานเสิถ้าหากว่าไม่มีอาคารและศาลาหลังนี้ไม่มี เ, เต็นท์โรงทานเราจะไปอัดยกข้างในอย่างเดียวยพวกลูกหลานคิดดูสิว่าหลับตาคิดดูสินะทาไม่งโง่เกินไป ถ้าโง่เกินไปก็คงจะคิดไม่ได้ถ้าทาไม่โง่เกินไปคงจะคิดออกว่ามันจะแน่นขนาดไหนมันจะเป็นยังไงแต่มีหลังนี้ที่ตรงนี้รองรับก็รู้สึกว่าขยายออกมาหุวงพ่อก็เออดีที่พวกเราคิดหลังนี้ออกมาก็ถูกนะแต่อาคารหลังข้างล่างก็เหมือนกันที่เราเอาลูกกรงออกเมื่อวาน ถ้าไมมีลูกตรงถ้ามันมีลูกตรงอยู่ข้างล่างศาลาเมื่อวานนะที่เรารับเสด็จนะจะอิดอัดขนาดไหนอีกเหมือนกันอันนี้เราก็เตรียมพร้อมอกัคณะว่าเหมาะพอเหมาะพอจอดอไปได้ดีทุกอย่างนะอันนี้หลวงพ่อไม่ใช่ขี้อวดนะลูกหลานนะให้ลูกหลานคิดดูคิดตามดูก็แล้วกันมันเป็นจริงไหมที่หลวงพ่อพูดเนะี่ยพอหลวงพ่อพูดอะไรพูดด้วยความจริงจังและจริงใจพูดไย ให้ลูกหลานได้มองเห็นเหตุและผลในการดำเนินชีวิตในการดำเนินงานการวางแผนงานของพวกเราให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นไม่ให้เกินไปไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาสร้างจนเกินไปจนไม่หรือว่าไม่สร้างอะไรเลยจนทำให้เดือดร้อนทั้งที่มันพอเป็นไปได้อยู่ สิ่งเหล่านั้นเหล่านี้นะหลวงพ่อก็ชี้ประเด็นให้คณะสัตยา ญ, ญาติโยมพระเนรลูกหลานให้ได้รู้ได้เห็นเราไปอยู่ น, นสถานที่ใดการที่จะทำอะไรต้องมองดูความเหมาะสมในสถานะนั้นๆไม่ให้เดือดร้อนตนและผู้เอินอันนี้แหละขอฝากไว้กับพวกเราแต่ถึงยังไงอย่าลืมนะลูกหลานนะอย่าลืมการ สังสมบรลมีอาหารให้ทางด้านจิตใจถึงเราจะทา ท, ทางนอกสาเร็จตุด้ดล่วงไปเป็นที่พอใจอย่างที่หลวงพ่อพูดก็เถอะแต่พยามัจจุราชคือความตายนั่นเดินย่องตามหลังเราอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นจุดนั้นเราต้องระวังระวังอย่างไรหลวงพ่อให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้สังสมบุญณกุศลให้สร้างบรลมเอาไว้ แต่เมื่อวานก็สร้างบารมีแล้วนะเป็นทานบารมีแล้วก็ศีลและบารมีแต่ภาวนาบารมนะีพวกเรายังอ่อนด้อยเมื่อวานเลยนะแต่เมื่อเราได้สั่งสมทานศีลภาวนาศีลแล้วก่อนนะต่อไปก็ภาวนาแหลแนะนีเมื่องานสงบเงื่อนผ่านไปแล้วจัดงานเรียบร้อยแล้วนะอยู่ในความสงบแลยนะเหมือนกับฟ้า ลูกเห็บฝนตกในช่วงนั้นเราก็ไม่รู้จะหลบจะซ่อนไปที่ไห น, นต้องหาวิธีการดูแลตนเองดูแลสิ่งรอบด้านรอบข้างแต่พอฟ้าฝน ผ, ผ่านไปแล้วเนี่ยฝนสงบไปแล้วฟ้ามันแจ้งจางปางแล้วบาดลยพวกเราก็หามุมสงบภาวนาแหละค้นคิดคิดค้นเข้ามาสู่จิตใจของตนเอง เน่ข้าวไปเจ้าเออถึงจะทำดีผ่านไปแล้วก็เถอะนะตายแน่ๆ น, นะอีกสักวันหนึ่งไม่รู้ว่าวันไหนละ่ะพวกเราข้าวไปเจ้าเองอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเนะื่อข้าไปเจ้านะอันนี้ก็โอปัญายิ่โกมองมองดูตนเองจากนั้นก็ให้นั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติพยายามเร่งความภาคเพียนเพราะอยู่เราอยู่ในความสงบ คนไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสงบเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านไปบำเพ็ญอยู่ทั้งหกปีปัญจวัคคีย์ทั้งห้าล้อมหน้าล้อมหลังพระพุทธองค์บำเพ็ญมีแต่คอยดูเอาพระพุทธเจ้าสัมมณะโคขธะเนี่ยสิท ธ, ธัตถะเนี่ยลูกพี่ของเราสิท ธ, ธัตถะเนี่ยท่านจะนกเกเลตเมื่อเมื่อไร ดูคอยดูอยู่ตลอดแต่พระพุทธเจ้าน็อกไม่ลงน็อกกิเลสในพระไทยของพระองค์ไม่ลงอดพระกาหฐารถึงสี่สิบเก้าวันตนพายผอมไปหมดจากนั้นกลับมาฉันพระกยายฐารปันเจวคขีทั้งห้าโอ้โอไม่ได้ ล, ลูกพี่ของเราเนี่ยเดินโตเตชนหน้าชนหลังที่จะได้ สำเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาที่ตั้งใจไว้น่ยไม่ทูกมองไม่เห็นนะครัว่าคิดเดาเคิดดนตนเดาเดาอย่างนี้เดินผิดเดินถูกอย่างนี้ไปไปไ ป, ไ ป, ไปเราหนีปัญจวคีทั้งหาก็เลยหนีจากพระพุทธเจ้าไปไปอยู่ที่นู่นไปอยู่เมืองเขตแขวงพาราณสีเนี่ยปายิปตนะมิกทายวันแขวงพาราณสี จากนั้นก็นไปตั้งอาสมขึ้นมาสิท ธ, ธนะเนี่ยก็อยู่ตามลําพังนะ่เห็นไหมคนที่อยู่ตามลําพังนะเนี่ยมันไม่ไ ม, ไม่พวักพวบ น, นะอันนี้ในตําราท่านก็ไม่ได้พูดไว้ดอกจุดนี้นะแต่หลวงพ่อเนะี่ยคิดว่าอยู่ตามลําพังนะเนี่ยเราอยู่น้อยคนนะเนี่ยการพูดการคุยการสนทนาปารบมันก็น้อยอการที่จะภาคเพียภาวนาก็จะมีมากนี่แหละ ให้พวกเราทุกๆองค์ทุกๆท่านนะเมื่อหมู่พวกเพื่อนจะไปที่ไหนก็ไปเป็นเรื่องของเขาเรามาเกิดเราก็มาเกิดคนเดียวในโลกไม่ใช่เหรอเราจะตายไปเราจะออกชวนหมู่พวกเพื่อนไปตายด้วยอย่างนั้นใช่ไหมเมึดไปตกเครื่องบินอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นต่างคนก็ต่างมาต่างคนก็ต่างไปต่างบนต่างคนก็ต่างสร้างบุญสร้างกุศล ต่างคนก็ต่างทำบาปถ้าทำบาปนะแต่เราจะไปทำบาปเพื่อเราได้รู้ได้ศึกษาได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้ฟังธรรมศึกษากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเราควรจะเป็นพระที่ดีอยู่ในกรอบหรือเป็นคราวาิที่ดีอยู่ในศีลธรรมเพรา ะ, ะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่หลวงพ่อย้ำเตือนว่า ถึงงานจะสาเร็จรุล่วงไปด้วยดีขนาดไหนก็เถอะแก่เจ็บตายเนี่ยไม่เคยถอยหลังเดินตามหลังเราอยู่ตลอดเวลาทุกเวลานาทีถึงเราจะนอนหลับความแก่มันก็ยังเข้ามาอยู่อย่างงั้นแหละแก่ไปเ ร, เรื่อยเรื่อยเรื่อยทั้งที่เราก็นอนหลับความแก่ก็แก่ไปเรื่อยแก่ไปแก่ไปเท่าไรคนเด็กดีใจ พอได้อายุดีใจพอได้อายุตามไม่จริงไอความแก่เขาแก่เข้าไปหาหลักป่าหานเหมือนกับตำรวจเขาจูงนักโทษเขาไปหาหลักประหานอย่างนั้นแหอะพอไปถึงที่ไหนแล้วจมวักหลักกิโลที่ร้อ ย, อยนี่แนะจูงมาถึงที่ไหนแล้ว ถึง80แล้วหลักกิโลที่80แล้วโอ้ดีอกดีใจเอาเลี้ยงฉลองเอาเหล้ามากินเอเพราะว่าเราเดินเขาจูงของเราอพยามัจุราช์เขาลากมาถึง80เราแก่แล้วอย่างเขาแก่มาถึงหอดถึง80แล้วเอถึง85โอ้ถึง85มาเลี้ยงฉลองกันอีกอแต่ตามไม่จริงไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น เมื่อแกเข้ามาพยามาจุราชลากแกเข้าไปเราควรควรจะสำนึกน่อยโอ้โหเราแกนะเอีอกอกี่หลักกิโลวะ่ะ อ, อันนี้มัน 8, 5, แปดสิบห้าล่ะ อ, อีกสิบห้ากิโลนัาก็ใช่ล่ะ เ, เขาจะต้องตัดคอเราแน่ๆละ่ะตายแน่ๆแล้ววะตามที่จริงน่าจะประกอบคุณงามความดีน่าจะสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจ น่าจะ ส, สแวงหารับสมบัติหรือว่าคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเข้าสู่จิตใจหาอาหารเข้าทางจิตใจแต่เรื่องร่างกายเนี่ยนะเขาแก่เขาลากไปเรื่อยๆเขาลากจูงไปเรื่อยแก่ไปเรื่อยแ ก, แก่ไปว่าลากนะทางภาษาทางอีสานเอแก้ไปแก้ไปลากไปจูงไปนี่แหละผัวนิสุก ถึงหลักปะหารอพอปะหารแล้วจะนี่ไปที่ไหนอร่างกายก็ตายแล้วนยแต่จิตใจมันไม่ตายได้ถึงออกจากร่างเลยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยนะถ้าหลวงพ่อบอกว่าร่างกายแก่ไม่เป็นหลวงพ่อเนี่ยดูดูล่างกายตัวเองแก่ไม่เป็น่ยนนะแต่จะจะเดินไปนั่นอยากจะวิ่งอีกต่างหากแต่มันไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะร่างกายมันแก่แต่วัดใจของเราเนี่ยมันไม่แก่ ถ้าพวกเราเห็นเขาเตะฟุตบอลหรือยากจะมาเตะเขาเขาถ้าเขาให้ตีมวยแล้วอยไปตีกับเขาอยู่กไปตีได้อย่างงอายุตัวเองมันแก่แล้วใช่ไหมเหมือนกับรถที่เราใช้มานานๆนะเห็นรถเขาแข่งนะเอรถเขาแข่งวิ่งเชิว่วเลยตัวเองก็อยากจะวิ่งกับเขานะ่ยมันจะวิ่งได้อย่างไงเพราะเราตัวเองมันใช้มานานมันแก่แล้วโขกขักโคกขาแล่ะดามซ้ายดามขวาดามหน้าดามหลัง่ะ มันจะผุพังยังไงก็ไม่ทราบนะเพราะนั้นใจของเราเนี่ยไม่แก่นะลูกหลานคัาาดศรัทธาญาติโยมนะแต่ร่างกายน่มันแก่เพราะนั้นอีกไม่นานเนะี่จะต้องทิ้งจะต้องทิ้งร่างกายตอนนี้พอมันแก่มันหมดสภาพนะในเมื่อมันหมดสภาพก็กต้องออกไปหาร่างกายอื่นเอกก่อนที่จะออกไปหาร่างกายอื่นนี่แหละเราได้เตรียมเงินในกระเป๋าไว้หลยอย่าง จุดนันะเป็นจุดที่สำคัญในหลักของพระพุทธศาสนาถ้าว่าพวกเราไม่ได้เตรียมเงินใส่กระเป๋าเอาไว้พอออกจากร่างนี้ไปแล้วนะ่ะพอเราไม่เชื่ออีกต่างหากตายแล้วมันไม่ศูญเน็ตพอตายไปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์สาราสิงห์ไปเกิดเป็นสัตว์ที่ร้ฉานลิงข้างหวังชนีไปเกิดเป็นได้ทั้งหมดขนาดพระปฏิบัติแท้ๆหนะ่ พอตายไปแล้วยัเป็นห่วงผ้าจีวรยังไปเกิดเป็นเลนเห็นไหมนี่แหละถ้าว่าพวกเราตายไปแล้วไปห่วงไปห่วงเงินในธนาคารก็เหมือนกั น, นเดี๋ยวก็จะไปเกิดเป็นเลนอยู่ในธนาคารปเป็นเลนเฝ้าสมบัติอยู่นั่นแหล ะ, ะเพราะห้ไรเพราะว่าเร า, เราห่วงอันไหนก็เป็นมันไปตามนั่นน ะ, นะตามหลักธรรมคำสอนของพุทธนะเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะ ที่พูดให้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะให้พวกเราตั้งยในในความ ไ, ไม่ประมาทสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราทางบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราแล้วนะ่ะเราจะภาคภูมิใจภูมิใจ เ, เมื่อออกจากภพนิชชาตินี้แล้วเราจะต้องไปสู่สุกคติคือสู่ความสุขความเจริญนี่แหละวิธีการที่จะไปทำอาหารเข้าสู่จิตใจนะ่ะ ไม่ใช่ทานอย่างเดียวนละ้วลูกหลานเะน่ะทานก็ใชเ่เป็นเครื่องสเสบียงเดินทางถ้าเราเกิดพบหน้าชาติหน้ า, เ, าเราก็จะเป็นผู้ไม่อดอยากเพราะอันนี้สงทานเกื่อกูุลนนถ้าอันนี้สงสิน เ, เราไปเกิดท่าสถานที่ใดจะหาใครมาเบียดเบียนเราไม่ได้เพะอันนี้สงสินคุ้มคองอันนี้สงสมาธิภาวนาจิตใจของเราก็มีสติสมบูรณ์ ไปเกิดนะพบใดชาติใดก็มีสติปัญญาเสียบแหลมเอาตัวรอดได้เพราะเหตุไรเพราะปัญญาของเราสติของเราดีแต่ถ้าพวกเรามีแต่ของดื่มของเบือนเมาพถึงไม่ได้ใส่ใจในการศึกษาเรียนรู้บาปอกุศลจะเข้ามาครอบครองจิตใจของพวกเรานะลูกหลานนะสรุปแล้วก็ให้เป็นคนดีคิดดีทาดีพูดดีอย่างที่หลวงพ่อได้ย้าได้กล่าวอยู่เสมอ อาตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรในที่นี้นะ